หนังสือเรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตวัฒการบทที่หพระยารัตนาทิเบศเรื่องกรุงแตกจะบกพร่องไปมากถ้าไม่เอาชื่อเจ้าคุณรัตนาทิเบศมาเป็นชื่อบทสักบทหนึ่งถ้าจะพูดถึงอำมาตย์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดในกรุงศรีอยุธยาเวลานั้นเราจะต้องให้คะแนนเจ้าคุณรัตนาทิเบศเป็นที่หนึ่งเพราะท่านไม่เคยต้องทําการรบเลยปล่อยให้กองอธรรมาสสูญเสียไปทั้งกอง มีกองทัพหนุนอยู่เปล่าๆไม่ได้เข้าช่วยท่านยังกลับเข้ากรุงศรีอยุธยาได้โดยไม่ต้องประสบผลร้ายแม้แต่การตำหนิโทษครั้งที่สองท่านขี่ม้าควบหนีในการรบที่ลำน้ำจั ก, กรราชนอกจากจะไม่ต้องรับโทษทันอันใดแล้วยังฆ่าเพื่อนที่หนีมาด้วยการตายได้อีกคนหนึ่งแล้วตัวท่านก็คงดำรงอยู่ในฐา น, นันดรจากอันสูงศักเรื่องของเจ้าคุณรัตนธิเบทยังไม่หมด ยังมีที่น่ารู้น่าเรียนอีกไม่น้อยกว่าสองเรื่องฉะนั้นการให้เกียรติแก่ท่านโดยนำเอาชื่อของท่านมาเป็นชื่อบทบทหนึ่งนั้นจึงมีเหตุผลที่สมควรอย่างยิ่งแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของเจ้าคุณรัตนาธิเบศเรายังมีเรื่องที่จะกล่าวทางพิษนุโลกอีกสักเล็กน้อยการประหารเจ้าฟ้าจีด้ดวยวิธีการที่พระราชพงศาวดารเรียกว่าถ่วงน้านั้นได้ทาความหมกมุ่นขุนใจอันนี้ มีมากจนถึงกับแสดงออกมาให้คนทั้งหลายเห็นและหลวงจบไกลแดนเป็นคนหนึ่งที่กล้าถามความในใจของท่านเจ้าพญาพิสรุโลกอธิบายต่อข้อถามของหลวงจบไกลแดนว่าฉันเป็นคนที่รักและเคารพเจ้านายมากแต่เรื่องเจ้าฟ้าจีดทําให้ฉันสลดใจหลวงจบไกลแดนถามว่าด้วยเหตุอะไรครับเจ้าพญาพิสรุโลกอธิบายว่า ด้วยเหตุที่เราไม่นึกฝันเลยว่าจะมีเจ้านายประพฤติอย่างนี้เราไม่ได้ทิ้งหน้าที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเราไปรบพรมา่าเราเอาคอไปรอดาบอยู่ทางโน้อนอยู่ทางนี้เจ้านายมาเก็บทรัพย์สิ่งของเผาบ้านแล้วก็ขึ้นนั่งเมืองแย่งตำแหน่งหน้าที่ของเรานึกถึงเรื่องอย่างนี้แล้วก็ทำให้ฉันท้อใจเหลือเกินหลวงจบไกลแดนฟังแล้วถามว่าใต้เท้าไม่คิดที่จะต่อสู้พมา่าอีกหรือครับ เจ้าพญาพิศนุโลกตอบว่าฉันอยากสู้ฉันอยากเสียสละร่างกายชีวิตของฉันให้แก่บ้านเมืองถ้าฉันแน่ใจว่าความเสียสละของเราจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่นี่ฉันรู้ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นหลวงจบไกรแดนถามว่าใต้เท้าคิดว่าจะเป็นอย่างไรครับเจ้าพญาพิศนุโลกตอบว่าเรื่องของเจ้าฟ้าจีดทาให้ฉันเกิดมีความคิดขึ้นเป็นสองอย่างหลวงจบไกลแดนถามว่า อะไรบ้างครับเจ้าพญาพิณุโลกตอบว่าอย่างหนึ่งคือว่ากรุงศรีอยิทยาต้องพ่ายแพ้แน่เพราะเมื่อเจ้านายของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะได้ชัยชนะหลวงจบไกลแดนถามต่อไปว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วครับซึ่งเจ้าพญาพิณุโลกก็ตอบว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพวกเรายอมตายกันเป็นจานวนหมื่นจานวนแสนขับไลาา่พม่าออกจากแผ่นดินไทยให้ได้ให้เราชนะสงครามคราวนี้ แล้วบ้านเมืองก็จะตกอยู่ในมือเจ้านายชนิดเจ้าฟ้าจีดเลือดเนื้อที่เราสละไปก็ไม่ได้ผลอะไรหลวงจบไกลแดนถามว่าแปลว่าใต้เท้าไม่คิดจะรบพรม่าอีกอย่างนั้นหรือครับเจ้าพญาพิษณุโลกตอบว่าแปลว่าฉันจะไม่ยอมออกจากพิษณุโลกอีกฉันจะต่อสู้พม่าจนชีวิตฉันแตกดับถ้าหากว่าพม่ามาตีพิษณุโลกแต่ที่จะออกจากพิษณุโลกไปทางไหนอีกนั้นฉันบอกเธอตรงๆว่าฉันไม่ไป เพราะเรารู้ไม่ได้ว่าในขณะที่เราไปอาบเหงือ่ออาบเลือดต่อสู้ศัตรูอยู่ทางโน้นจะมีเจ้านายผู้สูงศักดิ์องค์ใดามาเผาบ้านเก็บเอาทรัพย์ของเราและจับลูกเมียเราขังเพื่อเหตุอย่างเดียวคือเขาจะได้ขึ้นนั่งครองเมืองหลงจบไกลแดนได้ตรึกตรองไปตามคำพูดของเจ้าพระยาพิสนุโลกก็ยิ่งแลเห็นชัดมากขึ้นว่าความประพฤติของผู้เป็นใหญ่นั้นมีความสาคัญอย่างเหลือเกิน พ ล, ลเมืองจะมีกำลังใจต่อสู้ความยากลำบากหรือไม่มีย่อมอยู่ในข้อที่ว่าผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองนั้นมีความประพฤติ ท, ที่จะให้รัษฎรเชื่อถือได้หรือไม่หลวงจบไกลแดนเชื่อแน่ว่าถ้าเจ้าฟ้าจีดไม่มาทําความยุ่งยากอย่างหน้าอับยศอดสูในครั้งนี้แล้วกองทัพเจ้าพระยาพิษณุโลกจะสามารถขับไลพ่พม่าออกจากสุขโขทยัยและเมื่อกองทัพเจ้าพระยาพิษณุโลกขับไลพ่พม่าออกจากสุขโขทัยได้หัวเมืองเหนือทั้งหลาย ก็จะมีกำลังใจเข้มแข็งแรงขึ้นถึงแม้กองทัพใหญ่ของพามา่าจะยกลงมาลำพังหัวเมืองฝ่ายเหนือเท่านั้นถ้าพร้อมใจกันเข้าจริงๆก็สามารถจะต่อต้านพามา่าได้ชัยชนะของกองทัพเจ้าพรยาพิษณุโลกที่สุขโขทัยจะชักจูงให้ชาวเมืองเหนือทั้งหลายมีความมานะพยายามต่อสู้พามา่าเจ้าฟ้าจิตอ ง, งเดียวทาความเสื่อมเสียให้หมดและจะโทษเจ้าพยาพิษณุโลกก็ไม่ได้ เป็นใครบ้างก็ต้องแค้นใจอุตส่าห์ทำความดีให้อุตส่าห์ยกกองทัพไปรบโดยไม่ต้องรอคำสั่งคำกะเกณอยู่ทางนี้แอบมาเก็บทรัพย์และแย่งเมืองเมื่อเราลึกถึงว่าเลือดวงบ้านพลูหลวงเป็นเลือดที่แย่งบ้านแย่งเมืองแย่งตำแหน่งทองเมืองก็ดูไม่ประหลาดอะไรพระเพทราชาหลวงสรศักดิ์ถูกสมเด็จพระนารายณ์ทรงเรียกว่าไอ้กบฏสองคนพ่อลูก สมเด็จพระบรมโกศต้องฆ่าหลานฆ่าคนมากมายฆ่าตลอดจนถึงพระเจ้าพระสงฆ์เพื่อจะขึ้นครองแผ่นดินสมเด็จพระสุริย่าตอมรินเข้าไปอยู่ในพระที่นั่งเฉยๆจนสมเด็จพระอนุชาธิราชต้องสละราชสมบัติให้เมื่อเลือดของวงบ้านพลูหลวงเป็นอย่างนี้การที่เจ้าฟ้าจีดมาทําอย่างที่ทํามาแล้วก็ดูไม่น่าประหลาดอะไรนักสําหรับพงศาวดารของวงบ้านพลูหลวงต่อไปจะมีเรื่องอะไรอีกบ้างหรือไม่ เป็นนข้ออที่่าจะคยดหลวงจบไกลแดนได้คอยฟังข่าวคราวของกองทัพพมา่าทราบว่าพม่าได้ล่วงเลยลงมาถึงนครสวรรค์แล้วเป็นอันว่าพม่าไม่ต้องตีพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกอาจจะตั้งอยู่ได้โดยปลอดภัยและหลวงจบไกลแดนก็รู้สึกว่าตัวไม่มีงานอะไรจะทําอีกต่อไปการที่ได้อยู่ในพิษณุโลกก็โดยความกรุณาของท่านเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่จะอยู่ปล่าเปล่าลอยๆ โดยไม่หาทางช่วยบ้านเมืองในยามคับขันบ้างก็ดูเป็นชีวิตที่ประหาประโยชน์เขาจึงได้หาทางชี้แจงแก่เจ้าพระยพิสนุโลกไม่ใช่ชี้แจงอย่างที่เขาคิดแต่ชี้แจงว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าล้อมแน่บ้านช่องทรัพย์สมบัติหลายสิ่งหลายอย่างของเขายังมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเขาอยากจะขออนุญาตลงไปเพื่อหาทางป้องกันหาทางปลอดภัยให้แก่บ้านเรือนทรัพสมบัติของเขา เมื่ออ้างเหตุผลอย่างนี้เจ้าพญาพิษณุโลกก็ไม่ขัดข้องและยอมให้เขากลับลงมากรุงศรีอยุธยาสองคนผัวเมียของเขาคือหลวงจบไกลแดและนิ่มนวลได้ขี่ม้าเดินทางจากพิษณุโลกหาทางลัดหลีกเลี่ยงกองทัพพมา่าเพื่อจะให้ถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กองทัพพม่าจะลงไปถึงเพราะเท่าที่เขาทราบนั้นกองทัพพม่าที่ยกมาครั้งนี้ไม่ได้รีบร้อนที่จะลงไปตีกรุงศรีอยุธยา แต่มีลักษณะเป็นกองโจรมากกว่าเป็นทับกษัตริย์ทำแต่การปล้นสะดมบ้านเมืองรายทางที่ผ่านไปผ่านไปถึงไหนก็ปล้นเอาทรัพย์เผาบ้านเผาเมืองชอบใจพักอยู่ที่ไหนก็พักอยู่นานๆเขามั่นใจว่าเขาจะถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนกองทัพพมา่าและลําพังเขาสองคนผัวเมียไม่ได้เดินทางเป็นหมู่ใหญ่เหมือนเมื่อครั้งที่เอาเจ้าฟ้าจีดใส่กรงเหล็กไป เขาจึงสามารถจะหาทางหลบหลีกโดยไม่ให้พบกองทัพพมา่าความมุ่งหมายของเขาเป็นผลสำเร็จเขาลงมาถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนกองทัพพมา่าเขามีหนังสือของเจ้าพยาพิษณุโลกมาแสดงต่อผู้บังคับบัญชายกย่องคุณงามความดีของเขาในการที่ไปรบพาม่าที่สุขโขทยัยเขาจึงได้เข้าประจำงานการได้อย่างเดิมไม่จาเป็นต้องกล่าวว่า หลวงแสนพล่ายและอุ่นเรือนดีใจเพียงไรในการที่หลวงจบไกลแดนและนิ่มนวลกลับมาแต่พอเขากลับมาได้ไม่ช้าเขาก็ต้องถูกไปทับซึ่งเป็นความประสงค์ของเขาเพราะว่าเมื่อหลวงจบไกลแดนลงมาถึงกรุงศรีอยุธยา น, นั้นกองทัพฝ่ายใต้ของพาม่าซึ่งมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพได้ยกล่วงเข้ามามากแล้วทั้งกรุงเห็นความจาเป็นที่จะต้องรักษาเมืองธนบุรีและนนทบุรีไว้ให้มั่นคง ให้พระยาอมราชคุมกองทัพลงมารักษาเมืองนนท บ, บุรีให้พระยารัตนาทิเบศคุมกองทัพมารักษาเมืองทนบุรีพระยายมราชได้ขอเอาหลวงจบไกลแดนไปในกองทัพของตัวเพราะได้เห็นอกเห็นใจหลวงจบไกลแดนมามากแล้วและคราวนี้ในแก้วคู่ปรับของพระยายมราชก็ไม่ได้มาด้วยเขาสมัครใจอยู่พิษณุโลกส่วนหลวงแสนพลาพ่ายนั้นถูกเกณฑ์ให้มาในกองทัพของพระยารัตนาทิเบศ หลวงแสนพลรพายพูดกับหลวงจบไกลแดนว่าโชคชะตาของคนนี่มันแปลกประหลาดหลวงจบไกลแดนถามว่าอะไรน้องชายหลวงแสนพลรพายตอบว่าไปไปมามาเราก็กลับเข้าหานายเดิมหลวงจบไกลแดนพูดว่าจริงนะเราเข้าหานายเดิมเหมือนอย่างที่ออกรบครั้งแรกหลวงแสนพลพพายพูดว่าแล้วมันก็จะเหมือนอย่างที่รบครั้งแรกอีก หลวงจบกลแดนถามว่าคืออย่างไรหลวงแสนพลพภาพาพูดว่าคือนายหนีเอาตัวรอดปล่อยให้เรารบหลวงจบไกลแดนแย้งว่าคราวนี้เห็นจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกกระมังหลวงแสนพลพภาพาพูดว่ารู้ได้อย่างไรพญายมราชของพี่นะ่ะคราวนี้ไม่มีในแก้วคอยเป็นคู่ปรับคงหนีอีกหลวงจบไกลแดนถามว่าแล้วเจ้าคุณรัตนที่เบ็ดของเธอล่ะ หลวงแสนพลพพายตอบว่าอ๋อนั่นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยหลวงจบไกลแดนถามว่าทำไมหลวงแสนพลพพายตอบโดยสรุปว่าหนีอีกแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันอย่างร่าเริงสนุกสนานเขาออกไปกับกองทัพด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งอยากจะทําประโยชน์แก่บ้านเมืองเขาไม่คิดอย่างที่เจ้าพญาพิษณุโลกคิดเขาไม่นึกว่าเขาจะต้องทําเพื่อสมเด็จพระสุรยิยอาทอมรินหรือเพื่อเจ้านายองค์ใด เขาคิดว่าเขาทําเพื่อกรุงสีอยุทยาของเขาถ้าเขาจะฆ่าฆ่าศึกศัตรูได้สักคนหนึ่งนั่นก็เป็นการตอบแทนคุณบ้านเมืองที่เขาได้อาศัยเกิดอาศัยอยู่ในบรรดากองทัพสองกองที่ยกลงไปครั้งนี้กองทัพของพญารัตนาธิเบตซึ่งมีหน้าที่รักษากรุงทนบุรีมีทางได้เปรียบดีกว่ากองทัพของพญายมราชเพราะพญารัตนาธิเบตเป็นคนเคราะห์ดีอยู่เสมอประการหนึ่งคือว่า ผู้ที่เป็นทหารในกองทัพของพระยารัตนาทิเบศนั้นเป็นชายชะกันที่เรียกเกณฑ์ไปจากนาครราชสีมาซึ่งเป็นทหารดีที่สุดนอกจากนั้นยังมีเรือกำปั่นอังกฤษติดปืนใหญ่ประจำเรือมาคอยช่วยอยู่ในลำน้ำอีกด้วยหลวงแสนพลภาพได้ตั้งใจไปอย่างหนึ่งว่าในครั้งนี้จะคอยระมัดระวังมิให้เจ้าพระยารัตนาทิเบศหนีถ้าหากว่าหนีก็จะทาอย่างเดียวกับที่ในแก้วทาแก่พยายมราช คือตั้งศาลเตี้ยชำระกันเสียเองเขาทำความพยายามที่จะอยู่ใกล้พญาลตัตนาทิเบตและทำการรบในครั้งนี้ให้จริงจังอีกสักครั้งหนึ่งกองทัพพม่าในความควบคุมของเมคาระโบมีทหารเพียงพันคนเศษพันเศษเท่านั้นยกลงมาจากตำบลตอกระออมมาตีค่ายไทยที่ตำบลบางบํารุแตกแล้วก็ยกล่วงเข้ามาถึงธนบุรี ความมุ่งหมายของหลวงแสนพลรพายที่จะอยู่ใกล้พระยาลัตนาธิเบศนั้นก็ไม่สําเร็จเพราะพระยาลัตนาธิเบศได้สั่งให้หลวงแสนพลรพายเป็นกองหน้าออกรบกับพมา่าการรบในตอนนี้เป็นการต่อสู้ด้วยปืนเพราะต่างฝ่ายยังตั้งอยู่ห่างกันไม่เข้าประชิดกันถึงตลุมบอลเหมือนที่อ่าวว่าขาวความสนุกของหลวงแสนพลรพายจึงน้อยลงไปเป็นอันมากแต่เขาก็รู้ว่า เป็นยุทธวิธีที่ต้องทําอย่างนั้นหลวงแสนพลาพ่ายสู้พรางถอยพรางถอยเพื่อให้พม่าเข้ามาในระยะทางปืนที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์และปืนในเรืออังกฤษจะยิงถึงหลวงแสนพลาพ่ายมองเห็นชัดว่ากองทัพพม่ า, มาที่ยกมาครั้งนี้เป็นจํานวนไม่มากถ้าเปรียบกับการรบที่อ่าวว่าขาวแล้วพม่ามีจํานวนมากกว่าไทยตั้งสิบเท่ายังรับอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคราวนี้ได้เปรียบหลายประการ ทหารนครราชสีมาเป็นทหารดีมากแล้วก็ยังมีปืนป้อมวิชัยประสิทธิ์กับปืนเรืออังกฤษคอยช่วยยิงด้วยเขาคาดหมายว่าในช่วงเวลาเพียงสองชั่วโมงกองทัพพม่า ก, กองนี้จะต้องแหลกละลายไปแต่เขาก็ประหลาดใจเป็นอันมากเพราะเมื่อรบกันได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสียงปืนทางฝ่ายไทยน้อยลงไปทุกทีเขาเหลียวหาทหารพวกเขาก็มีจานวนน้อยลงไป เขาร้องถามว่าเฮ้ยไปไหนกันหมดโว้ย oh. ทหารคนหนึ่งร้องตอบว่าท่านแม่ทัพหนีไปแล้วครับหลวงแสนพลพภาพถามว่าหนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทหารคนนั้นตอบว่า <face> พอเริ่มรบกันทั้งแนวหลังก็หมดไปพวกเราเหลือเท่านี้จะสู้ไปทําไมแล้วทหารที่อยู่ข้างๆเขาก็โยนปืนทิ้งและออกวิ่งหนีหลวงแสนพลพภาพต้องถอยพลางยิงพลางมาจนถึงฝั่งน้ํา ปืนป้อมวิชัยประสิทธิ์เงียบไปแล้วเหลือแต่ปืนเรืออังกฤษยังยิงแนวรบของพาม่าอยู่หลวงแสนพลภ า, ายก็คิดเห็นเช่นเดียวกับทหารทั้งหลายว่าเมื่อเหลือน้อยตัวหรือตัวคนเดียวอย่างนี้จะสู้ไปจนตายก็เป็นความตายอย่างโง่โง่เขาได้ไหา้น้ำข้ามมายังฝั่งตะวันตกแล้วก็ดูพฤติการต่อไปบางทีพาม่าจะไม่รู้ว่าไทยไปหมดแล้วหรือจะสงสัยว่า ไทยไปซุ่มเงียบอยู่ในแห่งใดจึงยังยิงมาเรื่อยๆส่วนทางฝ่ายเรานั้นมีแต่ปืนเรืออังกฤษที่ยังยิงอยู่แต่อีกประเดี๋ยวหนึ่งหลวงแสนพลร้ายก็แลเห็นสิ่งที่ประหลาดใจปืนป้อมวิชายประสิทธิ์ซึ่งเงียบอยู่นานแล้วนั้นกลับยิงขึ้นมาใหม่ในชั้นแรกเขาเสียใจว่าเขาไม่ควรจะมาเสียก่อนเพราะการที่ปืนป้อมวิชายประสิทธิ์กลับยิงขึ้นอีกนั้นแสดงว่า ทหารไทยที่ประจําป้อมยังอยู่เขาตกลงลงใจที่จะว่ายน้ําข้ามกลับไปอีกแต่พอว่ายกลับไปยังไม่ถึงครึ่งแม่น้ําก็แลเห็นชัดว่าปืนป้อมวิชัยประสิทธิ์นั้นยิงเรืออังกฤษเขาจึงได้รู้ทันทีว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์นั้นตกอยู่ในมือพม่าเสียแล้วเขาจึงว่ายน้ํากลับมาขึ้นฝั่งตะวันออกอย่างเดิมเขายืนมองดูต่อไปมองเห็นความโกลาหลในเรืออังกฤษ ซึ่งในเรืออังกฤษก็คงจะประหลาดใจเป็นอันมากเพราะปืนป้อมพวกเดียวกันแท้ๆทำไมจึงมายิงกันเองแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าทหารไทยหนีไปเสหมดแล้วเรืออังกฤษจึงต้องแล่นขึ้นเหนือไปยังนนทบุรีและเมืองทนบุรีก็เสียแก่พมา่าหลวงแสนพลภาพรีบไปในทางที่เข้าใจว่าทหารทั้งหลายล่าถอยไปเขาได้พบทหารบางคนซึ่งอยู่ในกองหลัง ใกล้ชิดกับพระยารัตนาทิเบตและได้ความว่าพระยารัตนาธิเบตได้หลบหนีก่อนที่จะลงมือยิงกันเสียด้วยซ้ําและทหารเหล่านั้นซึ่งเป็นชาวนาครราชสีมาก็บอกว่าเขาจะไม่กลับขึ้นไปกรุงศรีอยุธยาอีกเพราะถ้ามีแม่ทัพอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําการสู้รบไปทําไมพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้จดเรื่องราวในตอนนี้ว่า พยารัตนาธิเบศมิได้สู้รบนี้กลับขึ้นไปกรุงเทพมหานครคืออยุธยากองทัพเมืองนครราชสีมาก็เลิกไปทางฝั่งตะวันออกยกกลับไปเมืองสิ้นสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงไว้ในหนังสือพงศาวดารเรื่องไทยรพมา่าว่าวายพยารัตนาธิเบศ ซึ่งคุมพวกพลเมืองนครราชสีมารักษาเมืองทนบุรีอยู่นั้นครั้นเห็นกองทัพพม่ายกมามากก็ไม่ต่อสู้ทิ้งเมืองทนบุรีนี้กลับขึ้นไปกรุงพวกไพรพลชาวเมืองนครราชสีมาก็พากันหนีกลับไปบ้านเมืองกันหมดนี้คือลักษณะการที่ชื่อเสียงของพญารัตนทิเบศได้ปรากฏในพงศาวดารและครั้งนี้ เป็นครั้งที่สมที่พรยารัตนาทิเบตหนีโดยไม่สู้รบหลวงแสนพลาพ่ายได้เดินทางมุ่งมากรุงศรีอยุธยาและเขาตัดสินใจในคราวนี้ว่าเป็นอะไรก็เป็นกันขอให้เขาได้พบพรยารัตนาทิเบตอีกครั้งหรือให้ออกทับกับพระยารัตนาทิเบตอีกสักครั้งหนึ่งเขาจะเอาพรยารัตนาทิเบตหมกดินหรือจับมัดออกไปแนวหน้าให้พม่ายิงเขาเดินทางอย่างไม่รีบร้อน รอนแรมมาสองคืนเขาก็ได้ประสบความประหลาดใจอีกเรื่องหนึ่งคืออุ่นเรือนภริยาของเขาได้ออกมาพบกลางทางหลวงแสนพลาพ่ายถามภริยาว่าน้องจะไปไหนอุ่นเรือนตอบว่าน้องออกมาคอยพบพี่หลวงแสนพลาพ่ายถามว่ามีเรื่องอะไรหรืออุ่นเรือนตอบว่าน้องเป็นห่วงพี่ไม่อยากให้พี่กลับเข้าไปในกรุง หลวงแสนพลาพ่ายถามว่าทำไมละ่ะอุ่นเรือนตอบว่าพยารัตนาธิเบศหนีเข้ามาในกรุงแล้วหลวงแสนพลาพ่ายตอบว่าพี่รู้แล้วและพี่ก็อยากพบพยารัตนาธิเบศอุ่นเรือนถามว่าพบเขาทำไมหลวงแสนพลาพ่ายตอบว่าพี่จะอาสาไปทับกับเขาอีกคนหนึ่งอุ่นเรือนตอบว่าอย่ากลับเข้ากรุงดีกว่าพี่น้องอุตสาออกมาคอยดักพี่ก็ด้วยเรื่องนี้ มิตกเหลือเกินว่าจะไม่พบพี่หรือจะพลาดทางกันไปเดชะบุญคุณพระช่วยให้เราพบกันไปที่อื่นกันเถอะพี่อย่ากลับเข้ากรุงเลยหลวงแสนพลพ่ายถามด้วยความสงสัยว่าน้องมีเหตุผลอะไรรอึอุ่นเรือนอธิบายว่าน้องเชื่อว่าถ้าพี่กลับเข้ากรุงพี่จะต้องตายหลวงแสนพลพ่ายถามว่าทําไมอุ่นเรือนฉเฉลยว่าพี่ลืมใชแล้วหรือพี่ เมื่อครั้งพญารัตนาธิเบศหนีการรบที่แม่น้ำจักราชกลับมาก็กล่าวโทษเพื่อนกันทำเอาพญาราชบังสันถูกโทษตายไปคนหนึ่งแล้วถ้าพี่กลับเข้าไปพี่ก็จะต้องตายเช่นเดียวกันหลวงแสนพลพ่ายถามว่าเขาไปฟ้องร้องกล่าวโทษพี่หรืออุนเรือนตอบว่าน้องไม่ทราบแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรเขาอาจไปกล่าวโทษว่าแนวของพี่ยิงแนวของเขา อย่างเดียวกับที่เขากล่าวโทษว่าพญาราชบังสันยิงค่ายของเขาแล้วพี่ก็จะตายเปล่าเชื่อน้องเถอพี่อย่า ก, กลับเข้าไปเลยเราไปหาโชคทางอื่นดีกว่าหลวงแสนพลาพ่าถามว่าไปไหนอุนเรือนตอบว่าไปไหนก็ได้ตามใจพี่ขออย่างเดียวอย่า ก, กลับเข้ากรุงหลวงแสนพลาพ่าตรึกตรองตามคำของภริยาแล้วก็เห็นด้วยว่าสถานการณ์ในกรุงนั้น เป็นอันหมดหวังไม่มีทางที่จะทําประโยชน์แก่บ้านเมืองได้คืนกลับเข้าไปอาจจะต้องตายอย่างโง่โ ง, ง่ดังที่อุ่นเรือนพูดนั้นก็ได้เพราะเป็นสมัยแห่งเล่เหลี่ยมกะโลบายคนคดคนทรยศคนรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางย่อมจะได้เปรียบคนซื่อคนตรงในเวลานี้เขาจึงตกลงใจทําตามคําห้ามปรามของภริยาไม่เข้ากรุงศรีอยุธยาเขาออกจากทางใหญ่วกไปทางตะวันออก โดยยังไม่มีจุดหมายว่าจะไปไหนสองคนกับอุ่นเรือนภริยาคู่ชีพเขาพากันเดินไปอย่างไม่รีบร้อนนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาภาพแห่งกองอัรมาศได้ผุดขึ้นมาในความจำของเขาเป็นการรบอย่างมีเกียรตแท้รบอย่างนักรบที่แท้จริงจะหาการรบแห่งอื่นที่จะสนุกเหมือนครั้งกองอัตมาศเห็นจะหาไม่ได้อีกแล้วถ้ามีทหารอย่างกองอัรมาศเพียงกองทัพเดียว จะสามารถขับไล่พม่าค่าศึกออกไปจากดินแดนของไทยได้แต่ก็ไม่มีทางจะหากองทัพอย่างนั้นอีกในขณะที่คิดคำหนึ่งอยู่ถึงกองอรรมาตของเขาความคิดอันหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่ากองอรรมาตนี้เป็นชาววิเศษชัยชาญได้เคยทำความดีอย่างยิ่งยวดมาแล้วในครั้งก่อนบางทีชาววิเศษชัยชาญอาจจะมีโอกาสทาความดีอะไรอีกในภายหน้าและถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสทาอะไร แผ่นดินวิเศษชัยชาญก็เป็นแผ่นดินมีเกียรติที่เขาควรจะเข้าไปอยู่อาศัยในเวลานี้อย่างน้อยก็จะเป็นที่ระลึกแก่กองอธรมาทของเขาเขาพูดกับภริยาของเขาว่าพี่ตกลงใจแล้วน้องอุ่นเรือนถามว่าพี่ตกลงใจอะไรหลวงแสนพลภายตอบว่าเราไปวิเศษชัยชาญกันดีกว่าอุ่นเรือนถามว่ามีอะไรที่นั่นหรือพี่หลวงแสนพลภาตอบอุ่นเรือนว่า มีที่ระลึกกองอัธมาราชของพี่อุนเรือนตอบว่าตามใจสิพี่เขาตกลงหันหลังกลับและมุ่งไปในทิศทางที่จะไปวิเศษชัยชาญเมื่อพม่พมาได้เมืองทนบุรีแล้วก็เคลื่อนทัพขึ้นไปทางเหนือตั้งค่ายที่บางกรวยตรงหน้าวัดเขมาทั้งสองฝักแม่น้ําส่วนเรือกําปั่นอังกฤษซึ่งถอยหนีขึ้นไปเหนือไปนั้นได้แล่นขึ้นไปถึงกรุงขอปืนใหญ่ที่มีกําลังกว่าปืนรายแคมเรือ เอาลงตั้งในเรือแล้วแล่นกลับมาเมืองนนทบุรีที่กองทัพพญาโยมราชรักษาอยู่และหลวงจบไกลแดนก็อยู่ด้วยอังกฤษได้ขอเรือยาวและขอทหารในกองทัพของพญายมราชเป็นฝีพายพายโงเรือกำปัน่นลงมายังค่ายพม่าในเวลากลางคืนที่ต้องใช้เรือพายยงอย่างนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนเรือลงมาพอเรือลงมาถึงที่ที่พม่าตั้งค่าย เรืออังกฤษก็ยิงค่ายพม่ายิงอยู่จนจวนสว่างจึงถอยกลับขึ้นไปที่จริงก็เป็นเรื่องทําความลําบากแก่พม่าไม่น้อยแต่ในคืนวันหนึ่งเมื่อค่ายพม่าถูกยิงพม่าก็แตกหนีจากค่ายอังกฤษก็จอดเรือขึ้นที่ค่ายพมา่าเพื่อเก็บอาวุธยุทภัณฑ์ที่เชื่อว่าพม่าคงจะทิ้งไว้ทหารพม่าซุ่มอยู่ก็กรูกันออกมาฆ่าฟันคนอังกฤษและทหารไทยที่ขึ้นไปกับคนอังกฤษล้มตายเป็นอันมาก นายเรืออังกฤษเห็นไม่มีทางที่จะช่วยสู้รบต่อไปได้อีกก็แล่นเรือออกทะเลไปทางพระยายมราชผู้รักษาเมืองนนทบุรีนายของหลวงจบไกลแดนพอรู้ว่าเรืออังกฤษไปเสแล้วก็ทิ้งเมืองนนทบุรียกกลับขึ้นไปกรุงหลงท้ายก็หนีอีกคําปฏิญาณที่พระยายมราชให้ไว้ในป่าว่าถ้าได้ อ, อกรบอีกครั้งหนึ่งจะสู้ศัตรูจนกระทั่งถึงที่สุด และถ้าท่านหนีอีกก็ให้ฆ่าท่านนั้นกลายเป็นโมฆะไปเพราะหลวงจบไกลแดนก็ไม่กล้าฆ่าพระยายมราชด้วยเหตุที่พระยายมราชก็ได้เคยมีบุญคุณจัดการให้ได้เข้าทำงานที่พิศนุโลกเมื่อหลวงจบไกลแดนกลับมากรุงศรีอยุธยาและได้ทราบว่าหลวงแสนพลาภายเพื่อนคู่ชีพของเขากับอุ่นเรือนไปเสียแล้วเขาก็เกิดมีความคิดอย่างเดียวกัน ว่าการอยู่ในกรุงศรีอยุธยา น, นั้นไม่มีประโยชน์อะไรการสู้รบเท่าที่เขาทํามาแล้วเห็นมาแล้วไม่มีทางจะเอาชนะพะมา่าได้แม้จะทําประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วยวิธีเข็นฆ่าฆ่าศึกศัตรูลงบ้างก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําเพราะหนีกันเสเรื่อยไปเขาไม่รู้ว่าหลวงแสนพลาภาษกับอุ่นเรือนไปทางไหนแต่เขาก็คิดอยากไปบ้างเวลานี้ระเบียบ ว, วินัยในราชการ ก็เกือบไม่มีใครอยากอยู่ใครอยากไปก็ทำกันได้ตามใจชอบแม้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็หายหน้ากันไปมากๆข้าราชการขนาดเขาไม่มีความสำคัญอะไรเขาจึงตกลงใจพากันออกเดินทางสองคนผัวเมียของเขาออกไปทางนครนายกและปราจีนบุรีเป็นอันว่าสองสหายต้องแยกกันอีกคราวนี้แยกกันโดยไม่รู้กันว่าใครไปทางไหน คู่หนึ่งไปทางตะวันออกอีกคู่หนึ่งไปทางตะวันตกเมื่อเสียเมืองทนบุรีกองทัพพม่าก็เลื่อนขึ้นไปประชิดกรุงกองทัพฝ่ายเหนือของเนเมียวสีห บ, บดีได้เลื่อนลงมาและกองทัพฝ่ายใต้ของมังมหานรธาได้เลื่อนขึ้นไปแต่ยังไม่ได้ล้อมกรุงอย่างใกล้ชิดเพราะธุระสาคัญของพม่าในการรบครั้งนี้อยู่ที่การปล้นสะดมหาทรัพย์สมบัติพม่าเที่ยวปล้นทุกหนทุกแห่ง นอกจากปล้นเอาทรัพย์แล้วยังจับเอาลูกสาวชาวบ้านไปข่มขืนทำอนาจารเป็นเรื่องที่ขุนแค้นร้าวรานอยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคนเว้นแต่คนใหญ่คนโตที่ยังได้อาศัยกำแพงพระนครป้องกันกำบังเข้าใจว่าพมา่าจะเข้าไม่ถึงก็ยังไม่สู้เดือดร้อนเท่าใดนักในบรรดาผู้ที่อยู่ภายในกำแพงพระราชวังนั้นมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่หวาดกลัวสำหรับบุคคลพวกหนึ่ง คือพวกโฉมงามในวังหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกสมุนตัวโปรดของขุนหลวงที้เลื้อนพวกนี้ไม่ได้กลัวพม่าจะเข้ากรุงแต่กลัวเสียงปืนใหญ่เขายังจากันได้ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระอุทุมพรทรงอานวยการต่อสู้ฆ่าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงกันทั้งกลางวันกลางคืนทำให้พวกโฉมงามตรนกตกใจเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกข้างในไม่พอใจสมเด็จพระอุทุมพร พวกโฉมงามเขาพูดกันว่าทําไมจึงต้องยิงปืนใหญ่ทําให้พวกเราตกใจขวัญหนีแก้วหูจะแตกเส้ให้ได้คนสูงอายุคนหนึ่งซึ่งมีความคิดหน่อยพูดขึ้นว่าไม่ยิงกับเขาแล้วทําไมจะสู้เขาได้พวกแม่โฉมงามตอบว่าทําไมไม่ใช้พวกไพร่ออกไปรบกันกลางแปลงดาบก็มีถมไปยิงปืนทําไมให้หนกหูโดยเฉพาะโฉมงามตัวโปรดของคุณหลวงที่เรือนสองคนคือ หม่อมเพลงและหม่อมแมนขวันอ่อนยิ่งกว่าใครๆและก็เป็นคนที่ขุนหลวงที่เรื้อนจะต้องเอาอกเอาใจมากเสียด้วยอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะการที่ต้องเป็นเมียของคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นก็เป็นความเสียสละอย่างมากอยู่แล้วเมื่อหม่อมตัวโปรดทั้งสองนี้มีเสียงอะไรขึ้นขุนหลวงที่เรื้อนก็จะต้องระมัดระวังด้วยเหตุนี้แม้กองทัพพม่าจะเข้ามาตั้งอยู่ใกล้ๆกรุงแล้ว ทางกรุงก็ยังไม่ส่งกองทัพออกไปโจมตียังเงียบเชียบอยู่ในบ้านเมืองเหมือนหนึ่งว่าไม่มีเหตุการณ์อันใดพวกข้าราชการในกรุงเองก็ท้อใจหมดมานะถ้าถูกเกณฑ์ให้ออกไปรบก็มีทางเดียวที่จะต้องคิดคือจะหาวิธีหนีอย่างไรดีมีข้าราชการพวกหนึ่งที่พอจะอาศัยเป็นกำลังคือพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองที่เกณฑ์มาจากหัวเมืองเกณฑ์เข้ามาช่วยป้องกัน ร, รักษากรุง และในบรรดาข้าราชการพวกนี้มีพระยาตากศินคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในภายหน้าอยู่ด้วยเป็นอันว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้ทางกรุงยังไม่ออกโจมตีพมา่าและพะม่าก็ยังไม่ได้เข้าล้อมกรุงอย่างใกล้ชิดแต่ขมักขเม้นทำธุรกิจในเรื่องป้นสะดมเอาทรัพย์และชิงลูกสาวชาวบ้านเมืองใหญ่เมืองน้อยในด้านเหนือด้านตะวันตกและด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยา ต้อนรับภัยจากความทารุณโหดร้ายของพมา่าอย่างที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมื่อหลวงแสนพลพ่ายกับอุ่นเรือนมาถึงวิเศษชัยชาญเขาได้พบเพื่อนเก่าคนหนึ่งชื่อนายทองแก้วเป็นชาวบ้านโพทะเลที่ว่าเป็นเพื่อนเก่านั้นก็คือเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในกองอารถรมรพ์ซึ่งพม่าตีแหลกไปที่อ่าวว่าขาวเขาเป็นคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้ และพฤติการที่นายทองแก้วรอดชีวิตมาได้ก็เป็นเรื่องวิจิตพิสดารเหมือนกันนายทองแก้วได้ต้อนรับหลวงแสนพลพ่ายกับอุนเรือนด้วยความชื่นชมยินดีและยิ่งเมื่อได้ทราบ พ, พฤติการว่าหลวงแสนพลพ่ายออกมาจากกรุงเพื่อหาทางช่วยบ้านเมืองต่อไปเขาก็ยินดีจะเป็นเพื่อนตายกันต่อไปอีกนายทองแก้วมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อนายดอกเป็นชาวบ้านกลับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเหมือนกัน นายดอกก็เป็นคนมีชื่อเสียงในทางฝีไม้ลายมือและมีคนเกรงขามเรียกอย่างง่ายๆว่าเป็นนักเลงโตคนหนึ่งที่มีพวกพ้องลูกศิษย์ลูกหามากนอกจากนั้นยังมีคนชาวบ้านสีบัวทองแขวงเมืองสิงห์บุรีเป็นเพื่อนรักใคร่กันอยู่อีกสี่คนคือนายแท่นนายโชธนายอินนายเมืองทั้งสี่คนล้วนมีพวกพ้องที่สมัครจะยอมตายเพื่อต่อสู้กับพมา่า ในทองแก้วได้ปรารบกับหลวงแสนพลรพ่ายที่จะชวนพักพวกทั้งหลายนี้ตั้งกองอัตมาศขึ้นใหม่แล้วจะให้หลวงแสนพลรพ่ายพาเข้าไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อสมัครเป็นกองอัตมาศทำการรบอีกสักครั้งหนึ่งอย่างที่ทำมาแล้วที่อ่าวว่าขาวอันเป็นชื่อเสียงกิติคุณของวิเศษชัยชาญอย่างไม่มีวันลบเลือนแต่หลวงแสนพลพ่ายขอให้ระงับความคิดอันนี้หลวงแสนพลพ่ายพูดว่า ป่วยการคิดวิธีนั้นถ้าเราตั้งกองอัตมาศเข้าไปอีกเราก็จะถูกใช้ให้เป็นกองต้านหน้าพมา่าสำหรับให้คนใหญ่คนโตที่เขาเป็นแม่ทัพหนีไปได้เท่านั้นนายทองแก้วรับรองว่าจริงเรื่องการรบที่อ่าวว่าข่าวนั้นผมยังจำได้ดีและเบื่อพวกคนใหญ่คนโตเส้ยเต็มทีแต่ก็อยากจะหาทางช่วยบ้านเมืองอีกหลวงแสนพลพร า, าพูดว่าฉันก็หาทางช่วยบ้านเมืองเหมือนกัน เราทําของเราเองดีกว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตเขาเลยในทองแก้วถามว่าเราจะทําได้อย่างไรหลวงแสนพลาพ่ายออกความเห็นว่าเราคุมพวกของเราขึ้นเองเราทํางานเพียงอย่างเดียวคือฆ่าพมา่าพบพมา่าเข้าที่ไหนเราฆ่าจะฆ่าด้วยวิธีใดก็สุดแต่จะหาวิธีได้ขอให้ฆ่าพมา่าได้ก็พอแล้วถ้าพวกเราคนหนึ่งฆ่าได้คนหนึ่งพวกเราร้อยคน ก็ฆ่าพม่าได้ร้อยคนทำกันอย่างนั้นดีกว่าตกลงในทองแก้วพูดผมขอให้คุณหลวงเป็นหัวหน้าหลวงแสนเพลพร่ายห้ามว่าอยา่าฉันเชื่อว่าในบรรดาเพื่อนของเธออาจจะมีคนอื่นที่มีฝีไม้ลา ย, ลายมือดีกว่าฉันฉันไม่ต้องการเป็นหัวหน้าไม่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตขอให้ฉันได้เป็นลูกพวกคนหนึ่งแล้วฉันจะดีใจอย่าบอกให้ใครรู้ว่าฉันเป็นขุนน้ำขุนนางเป็นหลวงเป็นพระอะไร เรียกชันว่าในแสนต่อไปนี้ฉันจะเป็นในแสนและขอเป็นลูกพวกไม่ใช่เป็นหัวหน้าเขาตกลงกันอย่างนั้นในทองแก้วได้พาหลวงแสนพลภายหรือในแสนไปพบนายดอกในแท่นในโชในอินในเมืองหลวงแสนพลภายได้สังเกตเห็นว่าในบรรดาบุคคลที่เขาได้พบนี้บุคคลที่มีบุคลิกดีที่สุดและควรจะเป็นหัวหน้าคือนายแท่นเขาจึงได้เสนอความเห็น ให้ยกในแท่นขึ้นเป็นหัวหน้าและคนทั้งหลายก็ตกลงใครมีพวกพ้องก็นำมารวมกันเข้าได้จำนวนคนเกือบหนึ่งรคนเป็นอันว่ากองอาสาน้อยๆได้ตั้งขึ้นเป็นกองอาสาที่ขึ้นแก่ตัวเองไม่ขึ้นกับใครไม่ต้องการหน้าตายศถาบรราศักดิ์ไม่ต้องการบอกเข้าไปยังกรุงว่าบัดนี้มีกองอาสาตั้งขึ้นแล้วขออาญาสิทธิการแต่งตั้งหรือการรับรองอย่างหนึ่งอย่างใด เขาตั้งของเขาเองเขาจะทำงานของเขาเองโดยลำพังเขาจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาจะอยู่หรือจะตายไม่ต้องการให้ใครรับทราบไม่ต้องการชมคุณงามความดีหรือยกย่องให้เป็นขุนน้ำพระยาอะไรและงานที่เขาจะทำกันนั้นก็หาได้ง่ายเพราะในแขวงวิเศษชัยชาญเมืองสิงห์เมืองสันอยู่ในวงรัศมีการปล้นสะดมของกองทัพพมา่าและการฉุดคล่าแย่งยื้อลูกสาวชาวบ้าน เนื่องจากที่อุ่นเรือนยังสาวและสวยเขาจึงได้ตกลงกันใช้อุ่นเรือนเป็นเหยื่อล่อพมา่าแสดงตัวให้พมา่าเห็นแล้วก็หลบหายเข้าป่าไปพมา่าได้เที่ยวตามหาหาไปหามาก็มาพบผู้ชายซึ่งเป็นพวกกองอาสาพมา่าที่มาเที่ยวตามหาอุ่นเรือนในครั้งนี้มากันถึงยี่สิบคนมีสองคนที่พูดภาษาไทยได้พอสมควรชายที่เป็นคนในกองอาสาที่ตั้งขึ้นใหม่บอกแกพ่พม่าว่า อยู่ชายทุ่งข้างโน้นมีผู้หญิงสวยหลายคนซ่อนตัวอยู่ที่นั่นพม่าถามว่าชายทุ่งทางไหนชายผู้นั้นก็ชี้ทางโน้นบ้างทางนี้บ้างดูเป็นเอาแน่ไม่ได้พม่าจึงบังคับให้ชายผู้นั้นเป็นผู้นําไปและเขาก็นําไปพอถึงชายทุ่งซึ่งเป็นที่เหมาะพวกกองอาสาก็กลูออกมาล้อมพม่าทั้งยี่สิบคนเขาไม่มีอาวุธอย่างอื่นนอกจากดาบ และก็ได้ใช้ดาบเข้าเข็นฆ่าพมา่าตายหมดทั้งยี่สิบคนไม่เหลือกลับไปจนคนเดียวเป็นงานชิ้นแรกที่กองอาสากองนี้ได้ทำเมื่อได้ทำงานชิ้นแรกเป็นผลสำเร็จอย่างดีและถือว่าเป็นโชคเป็นชัยของเขาแล้วเขาก็คิดหาชยภูมิที่จะทำงานอย่างนี้ต่อไป